ชาวพุทธเนี่ยอุดมคติหรือว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตก็คือการพ้นทุกข์ไม่ใช่การเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าคนในคนหรือว่ามียศถาบรรดาศักดิ์เพราะว่าจะรวยแค่ไหนจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็ยังทุกข์อยู่นะถ้าหากว่าจะเป็นชาวพุทธเนี่ยนะ ก็ต้องอย่าลืมนะจุดมุ่งหมายของเรานะคือการพ้นทุกข์แต่ถ้าเป็นนักธุรกิจนะจุดมุ่งหมายก็คือความสําเร็จความร่ํารวยจะเป็นนักการเมือง ก, ก็คือการได้นะ ม, อมีอํานาจมีตําแหน่งในในทางการเมืองรัฐมนตรีนายรัฐมนตรีอันนั้นก็เป็นเรื่องของ นักธุรกิจเป็นเรื่องนักการเมืองหรือนักกีฬาก็อยากจะได้เหรียญทองนะส่วนชาวพุทธเนี่ยสุดหมายสูงสุดก็คือการพ้นทุกข์นะคราวนี้เราขึ้นหรือว่าเราจะเอาอะไรเป็นใหญ่นะเราจะเอาความเป็นชาวพุทธหรือว่าเราจะเอาความเป็นนักธุรกิจหรือว่าความเป็นนักการเมืองหรือว่ากีฬาคนเรานี่เป็นหลายอย่างในเวลาเดียวกัน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 เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยมันก็ยังมีการแปรผันนะเกิดว่าลูกตายนะความเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ก็แทบเรียกว่าจบลงหรือว่าถ้าเกิดพ่อแม่ตายนะความเป็นลูกมันก็จบนะแต่ว่าความเป็นชาวพุทธเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจความหมายของความเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่ไปนะ จนตายไม่มีวันเกษียณคันนี้ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยจุดหมายสูงสุดคือการพ้นทุกข์แต่ว่าแมจะมุ่งพ้นทุกข์นะก็ชาวพุทธเราไม่กลัวทุกข์นะเราไม่กลัวทุกข์ถ้าพ้นทุกข์เนี่ยแต่ว่ากลัวทุกข์นี่มันก็พ้นทุกข์ยากนะจะพ้นทุกข์ตายเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจาก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 ผมเริ่มงอกหนังเริ่มเหี่ยวนะแต่ถ้าเราอยอมรับว่ามันเป็นธรรมดานะถึงเวลามันแก่เออแล้วก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรหรือว่าความป่วยก็เหมือนกันนะเมื่อเราร่วมเป็นธรรมดาเมื่อมันเกิดขึ้นนะเราก็นะนะไม่ตื่นตระห น, นอกแต่ถ้ากลัวมันตั้งแต่แรกนะพอมันเกิดขึ้นเนี่ยก็เริ่มกระสรับกระส่ายแล้วพอเจอ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 และประการต่อมาก็เพราะาเราเห็นว่าความทุกนี้มีประโยชนนะ์ความทุกนี้มีประโยชน์ถ้ามอม่เห็นตรงนี้นะจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธได้ไม่เต็มขั้นนะชาวพุทธเราต้องเห็นว่าหนึ่งเนะี่ยความทุกเป็นเรื่องธรรมดาเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกอย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วนะเราสวดทุกวันทุกเชา้าใครเดียวกันก็เห็นว่าความทุกนี้มีประโยชน์ด้วยนะ ความทุกข์มีประโยชน์มันประโยชน์อย่างแรกคือว่ามันสามารถจะทำให้เราเนี่ยมันสามารถจะเป็นตัวผลักไสหรือว่าผลักดันให้เราเนี่ยเข้าหาธรรมได้ในสาวพสการนี่มีผู้ที่รู้ธรรมมากมายนะเพราะ่าเจอความทุกขนะ์เช่นถูกตำหนิถูกต่อว่าถูกบริพาทแล้วเกิดความทุกข์มาก มีพระลูกหนึ่งพื่อชื่อพระยะโสชะนะพระยะโสชะนี่ก็เป็นชาวประมงตอนหลังก็เกิดศรัทธาในพระตนาัตายก็มาบวชเป็นหัวหน้านี่ก็เลยมีลูกน้องเยอะมาบวช ด, ด้วยกันประมาณห้าร้0ยห้าร้อยขปว่ามากวันหนึ่งก็พากันมากราบพระพุทธเจ้ามาที่เชตวันแต่ว่าส่งเสียงดังพระพุทธเจ้าก็บริภาษอย่างแรงเลยนะ ก็เสียใจนะแต่ว่าความเสียใจนเนี่ยมันก็เป็นคุณนะเพราะว่าทำให้เกิดสำนึกผิดพุทธาลาออกจากเชตาวันก็ไม่ไปไหนหรอกก็ไปอยู่ใกล้ๆไปหาหลักไปหาที่ที่สงบสงัดหริมแม่น้ำแล้วก็ตกลงกันว่าเนี่ยเราจ ะ, ะต่างคนต่างจะแยกแยกันไปปฏิบัติถูกพระเจ้าบริาพาทแล้วเนี่ย น, นต้องสำนึกแล้ว ก็ในสุดนะในพรรษานั่นเองก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะคือถ้าไม่โดนผู้เจ้าบริาพาสเนี่ย ก, ก็คงจะหลันล้าไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมบางท่านเนี่ยโดนลูกด่านะพิกสุนีท่านหนึ่งเนี่ยท้องนะมาล้ว่าท้องก็ตอนที่มาบวชแล้วเกือบจะโดนจับศึกซะแล้วนะ พระเทวทัเนี่ยจับศึกข้อหาว่าปราชิกนะไปมีเพศสัมพันธ์หลังบวชแต่ว่าตอนหลังไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้นางวิสาข า, าวินิฉัยนางวิสาขาก็วินิจฉัยว่าเนี่ยนางมีเพศสัมพันธ์ก่อนบวชนะก็เลยไม่ต้องศึกนะแต่ว่าพอลูกคลอดออกมาก็ต้องเอาลูปไปให้คนอื่นเลี้ยงนะ ก็ไปอยู่กับพระเจ้าประเสนทิโกศลชื่อกุมารกัสปะกุมารกัสปานี้ตอนหลังก็บวชนะมาบวชส่วนแม่ชื่อแม่พิสุทธิ์นีเนี่ยก็คิดถึงลูกนึกถึงลูกตลอดเวลาปฏิบัติธรรมไปก็นึกถึงลูกไปพอรู้ว่าลูกบวชเนี่ยก็อยากจะเจออยู่คนละสำนักนะแล้ววัน ชาว น, นก็ได้เจอนะพระกุมารกัสปะท่านกําลังบินธบาติภิกษุณีผู้เป็นแม่ก็เห็นนะก็ดีใจนะนะสาวเท้าขึ้นไปลืมตัวจะไปสัมผัสกับลูกพระกุมารกัสปะเห็นนะก็รู้ว่าแม่เรานี่ยังผูกพันในตัวเราอยู่ถ้าหากว่าปล่อยให้ผูกพันอยู่นี่ก็คงจะไม่บรรลุธรรมแล้วก็คงไม่เจริญก้าวหน้า ก็เลยหันมานะพูดเสียงแข็งต่อว่าว น, นีท่านมาทำอะไรอยู่ที่นี่นะบวชมาต้องนานแล้วนี่ยังตัดใจในลูกไม่ได้เชือหรือโอพิกษุณี น, นี่ช็อกเลยะไม่คิดว่าลูกนี่จะพูดกับแม่แบบนี้เราสาห่วงนึกถึงลูกนะแต่ลูกไม่นึกถึงเราเลยกลับพูดด้วยถ้อยคำที่หยาบกระด้างไม่มีน้ำใจ ก็เลยตัดใจเลยนะตัดใจลูกไม่ไม่สนใจเราเราก็ไม่สนใจลูกแล้วล่ะก็เลยทำความเพียร น, นะจิตก็ยุ่งก็มุ่งอยู่การทำความเพียรบอกกัว่าวันนั้นเองก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่ถ้าไมโดนลูกว่านะก็ก็คงจะยังอ่าหลงวนเวียนนะอยู่กับความคิดถึงลูก ลูกนี้ก็เป็นพระอาหารหันต์นะพระกุมารกส ป, ปะที่เป็นพระอาหารหันต์ท่านไม่ได้จงเกียจจงชังหรือว่าเหินห่างหมังเมินกับแม่ที่เป็นพิสุณนี่แต่ท่านรู้ว่าต้องต้องใช้ไม้แข็งนะแล้วก็ได้ผลนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้พิษุณีตัดใจนะไม่นึกถึงลูกได้ก็ทําให้จิตแนว่วแน่กับการทําความเพียรแล้วก็เห็นผลทันที หลายท่านที่นะั้ที่เจอไมอ้แข็งนะที่ทําให้เรียกว่าเกิดความทุกข์แต่ว่าเมื่อได้สตินะก็ทําให้เกิดความเพียรอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพระชันนนะพระฉันน่านี่ก็เราก็คงรู้จักดีนะอ่าเป็นสหาชาติกับพระเจ้าก็วันที่พระเจ้าวันที่เจ้าชายสิทธัตถะออกมหาพิเศษสกมเนี่ยพระชันนะก็ตามไปด้วยแล้วก็พอพระเจ้า ตัดสรุปฉันนักก็มาบวชนะมาบวชแล้วนี่ก็ถือพิเศษนะถือว่าเป็นคนใกล้ชิดกับผู้เจ้านะก็ก็เลยไม่ค่อยปฏิบัติตามพระวินัยเท่าไหรนะ่ใครสอนใครแนะก็ไม่ฟังเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยเส้นใหญ่นะเป็นเส้นใหญ่นะเป็นสหราชากับผู้เจ้าแม้แต่ผู้เจ้าเตือนนะก็ไม่ฟังนะ แล้วคนที่ใกล้ชิดกับผู้เจ้ามาเนี่ยบางทีสอนยากที่สุดเลยยิ่งใกล้ชิดเท่าไหร่ก็สอนยากนะอย่างอนาถปิณฑิกาเนี่ยสอนคนอื่นได้แต่สอนลูกไม่ได้นะต้องให้ผู้เจ้านี้ไปสอนนะฉันนาก็นี้ก็เหมือนกันนะไม่สนใจเลยใครใครเตือนใครแนะนําแม้แต่พระโมคคัลลาสา ร, ริบุตรเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยมาก่อนนะอ้างความเป็น เพื่อนสนิทนะของพระเจ้าก็ต่อว่าภาษาเรบุตรต่อว่าพระโมคคัลลานะส่วนหนึ่งก็เพราะถือว่าอายุอ่อนกว่าด้วยสุดท้ายพระเจ้าในก่อนที่จะไปลิขิตพานก็ฝากฝังนะฝากคณะสงฆ์ว่าเมื่อพระองค์ปริขิตพานแล้วก็ให้คณะสงฆ์เนี่ยลงพรหมทานลงพรหมทานชนนะเลยนะพระชนนะพรหมทานคือว่าไม่พูดไม่คุยไม่สมาคม เพราะเจ้าปริธิธานนะคณะสงฆ์ก็ลงพรหมทันนะตัดสินลงพรหมทันให้พระอนนท์เนี่ยไปแจ้งไปบอกข่าวพระอนั้นก็เดินทางไปถึงโกศลพีเลยนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยโกศลพีตอนนั้นพระฉันนาอนโนนแล้วก็บอกข่าวว่าเนี่ยสงฆ์ลงพรหมทันพระฉันนาไม่รู้พรหมทันแปลว่าอะไรพอรู้ความหมายนี่เป็นลมเลยนะเพราะไม่คิดว่าจะเจอหนักขนาดนี้นะ แต่ว่าได้ผลนะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาสำนึกตัวนะรู้ว่าทำผิดทำพลาดไปก็เลยทำความเพียรสุดท้ายกจะเป็นพระอาหารหันต์นะพระอาหารหันต์ที่ถูกต่อว่าถูกตําหนิถูกบริลีพาถูกลงโทษนี่เยอะแยะไปเล ย, กยก น, นะแต่ว่าเพราะถูกตําหนิเพราะถูกบริลีพาเนี่ยจนกระทั่งเกิดความทุกข์ความเสียใจยนั่นแหละที่ทําให้หันมากลับตัวกลับใจมาปฏิบัติธรรมได้ นะถูกด่าจึงบรรลุธรรมนะถูกบริาพาถูกนะลงโทษจรึงบรรลุธรรมนี่มีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถูกบริาพาถูกต่อว่าเนี่ยนะก็ลองมองในแง่ดีว่าเออนะมันมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดความนะสํานึกผิดหรือว่ากลับเนื้อกลับตัวได้คนที่ได้รับคําชมแล้วบรรลุธรรมนี่ไม่ค่อยมีนะ ได้รับคำชนและบุรุษ ธ, ธรรมมีแต่ว่าบุรุษ ธ, ธรรมเพราะถูกด่าถูกว่านะถูกลงโทษนะอันนี้แหละประโยชน์ความทุกข์นะประโยชน์ของอนิถารลมสิ่งที่ขาดอกขัดใจความเบื่อก็ช่วยได้เยอะนะอย่างยสกกุลระบุตรเนี่ยนะเบื่อนะอยู่ปราศาทส้ําหลังนะมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายนะทั้งเล่ายาทั้งสุรานารีแต่เบื่อนะเบือ่อ วันหนึ่งตื่นขึ้นมาเห็นผู้หญิงข้ารับใชน้นี่นอนนะกายกองเห็นแล้วเหมือนซากศพนะบางคนก็ผ้าผ่อนหลุดลุย่ยบางคนก็น้ำลายไหลเกิดความปรงนะเกิดเบื่อขึ้นมารู้สึกชีตที่เป็นอยู่มันไร้สาระเหลือเกินนะไม่รู้ทำยังไงนะก็เลยเดินเลื่อยเปื่อยออกจากคฤหาสนะ์เข้าไปใน ป, ปะะน่าอิสิปตันอมริกเทวัน ก็เลยเจอผู้เจ้าอดีนันตอนนั้นเป็นภาษาแรกที่ผู้เจ้าอยู่ป่าอสิปตนะถ้าไม่เบื่อไม่เซ็งไม่รู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่านะก็คงจะไม่เดินดุ่มๆออกไปนอกนอกบ้านอย่างนั้นก็กลายเป็นดีไปนะเพราะว่าพอเจอผู้เจ้าเนี่ยพระองค์แสดงธรรมก่อนที่จะเจอนะปายศิษยาก็บอกที่นี่บุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอนะมันแสด น, นความเบือ่อเบื่อมากๆเลย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 พอถามว่ามีคนตายมั่ก็มีคนตายทุกบ้านทีละน้อยทีละน้อยนางก็เริ่มยอมรับได้ว่าความตายเป็นธรรมดาทุกทุกบ้านทุกครอบครัวลน้ลนแต่เจอความพลาดพลาดสูญเสียก็เลยยอมรับได้ยอมรับได้รูปตายเอารูปไปเผาแล้วกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าคราวนี้แหละพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแสดงธรรมแค่ไม่กี่ประโยคนางก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน พระองค์แสดงธรรมว่าอะไรพระองค์แสดงธรรมว่านะมฤตยูเนี่ยย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในในครอบครัวในทรัพ์ในสัตว์เลี้ยงเหมือนกับน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่นอนหลับไหลไปฉันนั้นคือได้เห็นโทษของความยึดติดนะไอความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะความยึดติดในลูกนยะและพอลูกตายก็เศร้า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 วิธีชีวิตแบบเดิมๆความคิดแบบเดิมๆซึ่งมันมีแต่ทำให้นะสุกสุขทุกๆุกนะหรือไม่ก็ทำให้ทุกทาวรเลยคนเรานี้ก็พอใจนะอยู่กับวงเวียนวัฏจักรแบบนั้นเพราะว่ามันสบายนะถ้านั่นที่มันก็ทุกนะแต่ว่าก็ยังสลัดออกจากมันหรือว่าหนีจากมันไม่ได้นะจนทั้งเจอความทุกนั่นแหละ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 ตัวเองนะบางทีมีพ่อแม่ก็พึ่งพาไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สนใจให่ดีในลูกนะก็เจ็บปวดนะแต่ว่าทำให้ต้องหันมาพึ่งลําแข่งตัวเองพอพึ่งลําแข่งตัวนี้ก็กลายเป็นว่าเกิดนะความฉลาดนะความเข้มแข็งโตก่อนวัยเราก็สามารถที่จะนะ นำพาชีวิตให้ประสบความเจริญได้อันนี้คือความสาเร็จทางโลกนะความสำเร็จทางโลกก็ต้องบางครั้งก็ต้องอาศัยความความอาศัยอุปสรรคความยากลาบากในทางธรรมก็เหมือนกันนะอย่างความทุกข์เนี่ยถ้ามันความทุกข์จะมันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์นะสอนใจได้สอนทั้งความเข้มแข็ง ความอดทนเช่นขันติหรือว่าสอนให้มีสตะนะินในการเจริญสติเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปดูที่ไหนนะเราก็ดูที่กายที่ใจนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับกาย ก, กับใจเนี่ยมันก็มีนะสุขและทุกข์สุขเนี่ยมันก็บางทีก็ทําให้เราเผลอทําให้เราเคลิมนะแต่ว่าพอเจอทุกข์เนี่ยมันทําให้เราตื่นตัวขึ้นมาในการเจริญสติเนี่ยนะนะเราก็ต้องฝึกนะ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 เห็นนะไม่ค่อยเป็เป็นมันเป็นวัตถุดิบนะชั้นด yeah. really ีนะในการฝึกสตินะแล้วก็เป็นวัตถุดิบในการทําให้เกิดปัญญาด้วยพระอรหันต์หลายท่านนี้ท่านก็บรรลุธรรมนะเพราะเจอความทุกข์นะเจอความทุกข์ป่วยป่วยหนักถูกไฟครอกนะถูกเสือกัดนะพวกนี้มันเป็นทุกข์จริงๆเลยนะมันเป็นความเจ็บปวดทุกขเวทนา บางคนก็ทุกเขเวทนาเพราะความแก่ชารานะเดินก็ปวดนะเดินปวดทุกก้าวที่เดินวินามซ้ำอยังสะดุดหกล้มนะตัวก็แทกพื้นก็ยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่แต่ตอนที่กำลังเจ็บเนี่ยนะท่านก็เห็นเลยนะโอ้ยสังขารเป็นทุกข์มากนะมันมีแต่ทุกข์ล้วนเลยก็เห็นไตรักนะเห็นไตรัก เห็นเข้าใจเลยนะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตท่ทานก็หลุดพ้นเลยนะเพราะปัญญาเกิดปัญญาเกิดได้เนี่ยเข้าใจไตรลักษณ์ได้เพราะเจอทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นหกล้มตัวกระแทกพื้นหรือว่าเจอโรคภัยไข้เจ็บนะบางท่านถูกเสือกัดนะระหว่างที่เกิดทุกขเวทนานี้ท่านก็มีสติดูนะแล้วก็เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มาก เรียกว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาความเจ็บปวดเนี่ยเอาทุกขเวทนานี้มาดูมันดูเวทนามันก็เห็นเลยนะว่าสังขารเป็นทุกข์มากนะมันไม่นายึดถือเลยเห็นชัดๆมันก็ปล่อยเลยนะเหมือนกับที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปเ ร, เ, รเราเราละเมอนะแล้วเราก็แบกหินแบกหีบตื่นขึ้นมารู้ว่าแบกอะไรมันหนักมากนะเราวางเลย หรือว่าตื่นก็ได้นะแล้วก็แบกหีบสมบัติเนะชื่อว่าข้างในนี่มีทองแต่พอความจรงิงเปิดเผยออกมาว่ามันไม่ใช่ทองมันเป็นหินไม่มีค่าอะไรเลยนะร้อยทองร้อยเนี่ยพอรู้ความจริงก็โยนมันทิ้งเลยนะหรือว่าเปิดมา ร, รู้ว่าข้างในเป็นงูนะเป็นอสารพิษมันก็วาเหมือนกันนะ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 เราก็อาศัยความทุกนี่แหละฝึกใจเราฝึกใจเราให้มีความมั่นคงนะอาศัยคำต่อว่าด่าทอเนี่ยเป็นเครื่องฝึกให้เรานะมีความมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวนะต่อคำนะต่อว่าด่าทอหรือแม้กระทั่งคาดินทานเนี่ยนะมันเข้าหูเรานะมันก็ฝึกใจเราได้นะฝึกใจแล้วว่าเราจะหวั่นไหว คล้อยตามไหมนะนั้นถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะไม่ว่าทำอะไรเนี่ยนะมันก็ปฏิบัติทำได้ไม่ว่าเจออะไรนะมันก็สอนทำได้แลวตัวที่สอนทำได้ดีก็คือไอ้ตัวทุกข์นี่แหละนั่นะถึงบอกตั้งแต่ต้นวันชาวพุทธเราเนี่ยเราไม่กลัวทุกข์นะถึงแม้ว่าจุดมุ่งหมายเราคือพ้นทุกข์แต่เราไม่กลัวทุกขนะ์เพราะเรารู้ว่าทุกข์มีประโยชน์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 ก็กลับมารายงานจ่าว่าไม่เห็นอะไรเลยนะที่เป็นยาไม่ได้นะหมายความว่าอะไรมาว่าวัชพืชก็ดีนะพวกอุตพิษก็ดีนะพวกมายราบหรือพวกวัชพืชที่มีพิษมีนหนาะมเลยแล้วแต่เอามาทําเป็นยาได้ทั้งนั้นนะไม่ใช่แค่มีประโยชน์ทํารั้วบ้านนะหรือไปเลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะแต่ว่ายังสามารถจะทําเป็นยาได้ทุกชนิดเลย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 นะหรือว่าอุปสรรคความยากลําบากรวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเรานะความเหงาความเบื่อความทุกข์พวกนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่านะคนที่มีสายตาแหลมคมอย่างหมอชีวกเนี่ยมองอะไรก็เห็นเป็นตัวยาหมดเลยนะถ้ามองไม่เห็นว่าเป็นตัวยาก็แสดงว่ายัางไม่มีปัญญานะีนะ่ยชาวผู้เรานี้ก็เหมือนกันนะเราต้องพัฒนาปัญญาจนทั้ง สามารถจะเห็นทุกอย่างเนี่ยว่ามันเป็นประโยชน์นะแม้กระทั่งความทุกข์ก็มีประโยชน์นะที่จริงอริยสัตย์ข้อแรกเนี่ยนะก็คือทุกข์ขัตริย์เนี่ยนะผู้เจ้าสอนว่าทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะทุกข์เป็นสื่อที่ต้องรู้ไอ้สิ่งที่ต้องละคือสมุทัยหรือสายแห่งทุกข์ทุกข์เป็นสื่ตอะนะต้องรู้รู้เพราะอะไรเพราะจะทําให้เราเห็นสมุทยัย ถ้าเรารู้จักทุกดีพอเราก็จะเห็นเหตุปัจจัยหรือร่างเงาของมันก็คือสมุทยัยนะถ้าเราไม่ไม่เราจะรู้ทุกได้เราต้องเจอทุก น, นะถ้าเราไม่ไม่เจอทุกเราจะรู้ทุกได้อย่างไรหรือเราจะรู้จักทุกได้อย่างไรนะถ้าเราผ่านอาริสัทข้อแรกไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถจะทะลุไปถึงอริสัทธข้อที่ส3 4สานะรนะทุกเนี่ยมันจึงเป็นปร ะ, ปประตูไปสู่ธรรมนะ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 ที่จะนำพาไปสู่การพ้นทุกข์หรือนำไปสู่ชีวิต ท, ที่เจริญงอกงามหรือว่าสามารถจะช่วยเราเห็นวิธีแห่งความสุขที่ประเสริฐได้